Duh. -huh. การที่เรามุ่งภาวนาก็เป็นการดับทุกข์ในเบื้องต้นจนกว่าทำให้ถึงที่สุดของการภาวนาที่เรียกว่าให้เกิดปัญญาแต่ว่า คนที่จะถึงคำว่าปัญญาจะทำให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของไตรลักษณ์ซะก่อนถ้าเรายังไม่เข้าถึงไตรลักษณ์ก็คือ ความไม่รู้ในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยความมั่นหมายความติดยึดเนี่ยก็จะเกาะกินจิตใจของเราทุกคนฉะนั้นการภาวนาหรือการปฏิบัติ ก็จงมีจุดเริ่มตั้งแต่ทำจิตให้สงบจนถึงทำจิตให้หมดกิเลสแล้วก็หยุดต้นเหตุแห่งการเบียดเบียนการคิดทำลายกันการ ให้ร้ายกันการไปสีอันผิดจากเป็นจัตีในเบื้องต้นถ้า มนุ์สัตว์ไม่หยุดในการเบียดเบียนเนี่ยไม่ว่าชีวิตใดก็ไม่มีความสุขสุดท้ายตัวเองก็ต้องถูกเบียดเบียนก็เรียกว่าเป็นกฎแห่งกรรมฉะนั้น เราจะต้องเริ่มจากความสุขที่ไม่เบียดเบียนกันก่อนก็ต้องเริ่มจากการมีศีลเป็นเบื้องต้นเสียก่อนพะผู้ภาวนาหยุดเบียดเบียนจากวันเป็นอาทิตย์ จากอาทิตย์เป็นเดือนหลายๆเดือนก็เป็นปีหลายๆปีไปนะบาปกรรมเวรกรรมทั้งหลายเราก็ไม่สร้างเราก็จะพ้นจากเวรกรรมที่จะถูกเบียดเบียนในชาติต่อต่อไป แต่ดูเหมือนบางคนเกิดในชาตินี้เนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่พ้นเวรกรรมถึงจะชดใช้เท่าไหร่ก็ดูเหมือนเวรกรรมก็ยังไม่เบาบางบางคนบางคนก็เบาบางลงบางคนก็ดูเหมือน เวรกรรมจะสิ้นสุดก็พอที่จะเรินกุศลได้ฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มจากชาติพบในปัจจุบันในอนาคตหรือในภายภาคหน้าในชาติต่อๆไปเนี่ย เราก็ต้องมาชดใช้กรรมที่เราสร้างไว้จะเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลเนี่ยเราก็ได้รับทั้งสองบาตทั้งสองอย่างฉะนั้นผู้ภาวนาเนี่ยก็จึงนั่งกำหนดดูไกยกรรมมจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสาม ต้องเป็นกรรมที่เราอยู่กันด้วยจิตที่ไม่เบียดเบียนกันอีกเขาเรียกว่ามีเมตตาเนี่ยคือการภาวนานพอเข้าใจในหลักการอยู่ร่วมกันก็ต้องใช้เมตตาธรรมกัน คนที่ยังสร้างเวรสร้างบาปเราก็อย่าไปตามเขาคนที่ยังตะโกนด่าวุกเวกโวยวายท้าต่อยท้าตีหรือยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ด้วยวิธีต่างๆนานาเนี่ยล้วนแต่เป็นอกุศลกรรมก็จะต้องได้รับผลแห่งกรรม ไม่เร็วก็ช้าย่อมได้รับทุกๆคนเช่นดูแค่ชาตินี้พอว่าพวกเราเนี่ยกำลังสวยกุศลมีบากหรืออกุศลมีบากรรมเอาตั้งแต่ ว, ว่าเริ่มจำความได้แล้วก็ดำเนินชีวิตมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน กำหนดดูว่าเราสุขสบายไหมมีการถูกเบียดเบียนไหมชีวิตขัดสนลำบากค้นแค้นไหมมีวาสนากุศลผลบุญอะไรที่ส่งเราให้มีความเจริญมีความสุขบ้างเราแค่กำหนด จุดนี้ก็พอจะรู้ว่าในอดีตเราได้สร้างกรรมอะไรมาชาติปัจจุบันเนี่ยบางคนก็พยายามดิ้นรนนะก็ไม่ได้ว่าจะพ้นทุกข์เลยแค่เบาบาง บางคนก็ทุกข์ทรมานบางคนต้องพิกพิการบางคนต้องมาเจอโรคร้ายอีกบางคนก็ต้องมาลำบากสายตัวแทบขาดตั้งแต่สาวนุ่มยันเป็นคนเท่าคนแก่ก็ไม่ได้มีความสบายเลยทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจ ถ้าเป็นอย่างนี้บอกได้เลยว่าพวกเราเนี่ยถ้าเป็นชีวประวัติก็คือประวัติไม่ค่อยดีเท่าไรในเรื่องของกุศลผลบุญก็สร้างเวรไว้เยอะสร้างภัยไว้มาก ทำบาปกรรมไว้กับคนนี้คนนั้นสัตว์น้อยใหญ่ไว้เยอะทานศีลก็ไม่ค่อยได้รักษาทานก็ไม่ค่อยได้บําเพ็ญการภาวนาก็เกือบไม่ได้ภาวนาเลยถึงโบราณที่ท่านบอกว่ามาเจอไม่งามตอนขวานบิน เหมือนกับเราแก่แล้วชีวิตจะหมดอยู่แล้วพึ่งมาเห็นสิ่งดีๆเพึ่งที่จะได้ทำความดีนะถึงบอกน่าเสียดายฉะนั้นโยมก็ดูกำรรหนดนะกรรมของเราที่สร้างไว้โยมจะเข้าข้างตัวเองก็แล้วแต่ดูกรรมเราก็พอแล้วว่า ตระกูลที่เกิดมั่งคั่งไหมต่อมาอีกชีวิตของเรามีความเจริญขึ้นไหมบางคนนี้เกิดมามีแต่ความลำบากขยันสายตัวแทบขาดแต่ก็ไม่มีชีวิต ที่จะสุขสบายมีแต่ความยากลำบากมันเป็นแรงกรรมในโยมถึงโยมกำลังทำบุญอยู่ในชาติปัจจุบันถ้ า, ากุศลกรรมมีมากหรือว่ามากเลอะเกินเนี่ยผลบุญก็ไม่สามารถที่จะส่งผลให้ในปัจจุบันได้ทัน เพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราทาําอกุศลบาปเนี่ยเราทํามาก่อนผลกรรมตรงนั้นเหมือนกับตามทันแล้วเหมือนตามทันพอตามทําเขาจับได้ดิ้นยังไงก็ยังไม่หลุดกําลังเขามากกําลังของเราน้อยกว่าก็ต้องสู้กันสักพักใหญ่ๆ หรือต้องชดใช้กรรมวิบากจนกว่ากรรมนั้นเบาบางเนี่ยคือเรื่องของกฎกรรมทั้งหลายฉะนั้นชีวิตสัตว์มนุษย์เพระเริ่มมีปัญญาในขั้นสีนี่ก็จะมีสุขด้วยการรักษาสี พอมี ป, ปัญญาในการทำฌานก็มีสุขในการเข้าฌานพอมีปัญญาในขั้นเจริญวิปัสสนาภาวนาก็สามารถที่จะภาวนาให้จิตของตนเองนี้ผ่องใสได้โยอมอย่าคิดว่าคนมีเงินมีสตางค์เนี่ย จิตจะผ่องใสไม่ใช่นะดีไม่ดีดำมืดเลยมากด้วยกิเลส ท, ที่ครอบงำก็มีจะบอกพระพุทธเจ้าไม่ได้วัดคนที่ฐานันดรหรือวัดที่สักดินาหรือวัดที่เงินตราเปล่าวัดที่ศีลสมาธิปัญญา บางคนพอเริ่มเข้าใจเนี่ยเริ่มภาวนาเป็นจิตก็เริ่มเย็นลงพอภาวนาเข้าไปถึงสภาวะธรรมก็ได้ทำมาคุ้มครองรักษาจากจิต ที่มีแต่ทุกขเวทนาเนี่ยก็ปรากฏว่าชีวิตก็เหลือความทุกข์กายแต่ความทุกขใจหรือว่าความไม่สบายใจเนี่ยก็ลดน้อยลงไปนี่เป็นอำนาจจากการภาวนา เพราะถ้าเรามีปัญญาลพิจารณาสังขารร่างกายที่เราอาศัยอยู่มันก็เหมือนกับเป็นเรือนเช่าหรือว่าอาศัยธาตุสี่เขาอยู่และก็อยู่โดยความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนในที่สุด สุดท้ายก็แตกไปดับไปพอเรามีการเจริญวิปัสนาภาวนานะเราสามารถกำหนดได้พอกำหนดรู้ในธาตุขันในอาการส2สองก็ล้วนเห็นเป็นอนิจจังตั้งแต่เส้นผมจนถึงพื้นเท้านะเรารู้แล้ว อะไรอะไรก็ไม่เที่ยงมันยืมเข้ามาอาศัยเขาอยู่แล้วก็ใช้เข้าไปจนกว่าถึงกำหนดเวลาหรือว่ากำหนดอายุไขหรือว่าหมดหน้าที่ที่เราอยู่ร่วมกันแล้วก็จากกันไป ฉะนั้นผู้ภาวนาเนี่ยเขาจะไม่พิรัยรำพันและก็ไม่โศกเศร้าและก็ไม่เสียใจผู้ภาวนาไม่ได้มองว่าความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคนที่ไม่ภาวนาเนี่ยจะตกใจพะพูดว่าตา ย, ยจะกลัวพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นของร่างกาย สุขทุกข์ดีใจเสียใจเป็นสภาวะจิตและทุกอย่างมันก็เป็นอนิจจันต์ไปยึดอะไรก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเพียงสภาวะเกิดปรากฏอยู่แล้วก็ดับเหมือนกับรุ่งกินน้ำ ต, ตอนเป็นเด็กมองเห็นก็เ อ, อสวยงามเนาะฝนตกมีรรุ่งกินน้ำปรากฏ ดูไปสักพักหนึ่งรงกินน้ำก็เลือนหายไปอีกเฉนินถ้าเรากำหนดอย่างผู้ภาวานาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจะตายจะแก่จะเจ็บไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ของร่างกายนะมันเป็นเรื่องเดิมๆ เ, เรื่องเก่าๆทุกภพที่ พวกเราเกิดกันมาแต่ถ้าเราสร้างบุญวัาสนาดีเรารักษาศีลดีก็ไม่ถูกโรคเบียดเบียนมันก็ไม่มีเจ้ากรรมในเวรเอาง่ายๆไม่ได้ทำให้เกิดโรคาพยาธิมากมายก็เป็นแค่ปวดหัวตัวร้อนเป็นหวัดเป็นไข้กินยาสัก 6, 7, เจ็ดปดวันก็ฟื้นขึ้นมาเียมันขึ้นอยู่ที่ว่าใครทำกรรมแบบไหนมามากน้อยทุกคนก็มีมิบากท้งนั้นแหละถ้าพวกเราไม่มีมิบากกรรมก็ไม่ได้เกิดแล้วถ้าเป็นผู้หมดจากกิเลสตัณห า, าศาสวะกิเลสน้อยใหญ่ เราก็เกิดไม่ได้เพราะว่าจิตนั้นไม่มีพบไม่ต้องเสวยชาติภูมิก็ไม่มีพบก็ไม่มีความเกิดก็ไม่มีนั่นแปลว่าได้ทำถึงที่สุดแห่งความดับสูญก็คือความพ้นทุกข์แต่ตราบใดพวกเรายังเกิดอยู่อาศัยร่างกายนี้อยู่ ให้สวยให้รวยให้รอจะให้แข็งแรงแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นช่วงหนึ่งเวลาหนึ่งสิบปีห้าปีผ่านไปก็จะนำพาชีวิตสัตว์ต้อนไปสู่ความตายความแก่ความเจ็บกันหมดทุกคนจึงบอกผู้ภาวนาเนี่ยไม่ตกใจ กับดีใช่อีกดีใช่อีกที่มีสติะระลึกรู้ว่าตัวนี้แก่เจ็บและตายนะบางอย่างที่ยังปร่งไม่ได้ก็ปล่งได้บางอย่างที่ยึดมั่นหมายมากก็ปล่อยวางได้ก็ดีไปอีกแบบนะถึงบอก ผู้ภาวนาเขาไม่ได้กลัวคำว่าตายแต่เขากลัวคำว่าเกิดโยมต้องฟังซ้านะผู้ภาวนาสุดท้ายเขาไม่ได้กลัวคำว่าตายตกลัวคำว่าเกิดอย่างพระอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปท่านไม่ได้กลัวคำว่าตายนะพระอริยะแต่ท่านกลัวคำว่าเกิด ท่านจิงพยายามเพียนเพ่งภาวนาเพื่อความไม่เกิดแต่ของพวกเราที่ยังรู้ไม่ถึงที่สุดหรือว่ายังไม่ตลอดปรารถนาความเกิดกันน่อนะอตมาก็เคยปรารถนาอยากเกิดเป็นนั่นอยากเกิดเป็นนี่อยากแต่พอเราภาวนาจริงๆแล้ว มันไม่ใช่นะฉะนั้นใครก็ตามที่ภาวนาถึงจุดหนึ่งจะเกิดความเบื่อหน่ายด้วยซ้ําไปเบื่อหน่ายในทุกข์ที่ตนหลงอยู่เบื่อหน่ายในสิ่งไม่เที่ยงที่ตนยึดมั่นหมายอยู่เบื่อหน่ายแม้แต่ร่างกายที่ตนอาศัยอยู่มันเป็นรังของโรค ในที่สุดที่สุดมันก็เป็นรังของโรคโยมไปยึดมันก็ไม่ใช่แล้วฉะนั้นผู้ภาวนาที่บอกวิปัสสนาเนะี่ยก็คือแยกรูปนามออกมาแยกกายจิตธาตุขันเห็นความไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง น้อมเข้ามาในกายยาเห็นเป็นอนิจจังชีวิตมีสภาพอยู่ด้วยความทุกข์ขังจริงๆโยมว่าชีวิตอยู่ทุกข์มากกว่าหรือสุขมากกว่าโดยเฉพาะร่างกายเนี่ยนะเขาตายผ่อนส่งทุกวันทุกวันถ้าโยมไม่ให้เข้าวปลาอาหารขานมนมเนยนะ แค่สามวันนะมันบอกมันไม่อยู่แล้วมันทนไม่ได้แล้วบอกอยู่ไม่ไหวแล้วหรือบางทีโยมใช้คําวมากเกินเขาบอกไม่ไหวแล้วจะไปแล้วไอ้เราก็ยื้อไว้เดี๋ยวน่ากินยาไว้ก่อนเอาวิตามินไปกินแล้วกันเอาห้าหมูไปกินก่อนให้มันแข็งแรงขึ้นจะได้ใช้ต่อลันบอกไม่ไหวแล้วแย่แล้ว รังนกผสมโสมก็ไม่ไหวนะจริงมันบอกขาจะก้าวก็ไม่ไหวแล้วสั่นไปหมดไม่ไหม่สั่นสู้นะพอระยะหลังๆนี่สั่นถอยโย่ไปถามดูคนเจ็ดแปดสิบนี่สั่นหนีหมดยนะไม่ได้สัน่นสู้สั่นถอยถึงบอกเด็ก วิ่งเล่นกันเวลาหกล้มเนี่ยเด็กหกล้มนี่ยิ่งโตผู้ใหญ่ล้มนี่ตายมันผิดกันเนาะคนมีอายุมากๆลองล้มดูดิคนที่บอกแข็งแรงแข็งแรงนี่บางคนนี่สุดเลยเ คือบอกเออกำหนดแล้วเห็นเป็นอนิี้จังได้เนี่ยภูพนามองแล้วไม่ตกใจนะเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายเนี่ยมันเป็นสภาพทุกข์ก็เหมือนพระพุทธเจ้าที่ออกประพาสอุทัยาตก็เห็นอย่างนี้แหละ จนเห็นส ม, มณะนั่งด้วยความสงบนิ่งใต้ร่มไม้ใหญ่พอ ม, มองแล้วดับเย็นคำเดียวนายโยมคำว่ามองแล้วดับเย็นเนี่ยโอ้ชีวิตเราไม่เคยได้พูดคำนี้เลยมีแต่บอกร้อนตับแตกใช่ไหมโยมมีแต่ว่าหัวใจจะวายนะ กลุ่มใจจะตายเนี่ยเบื่อจริงๆเนี่ยพวกเราจะพูดกันอย่างนี้ไม่ไม่ได้ยินเราก็เออดับเย็นแต่ว่าวันนั้นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้เห็นส ม, มณะนุ่งผ้ากาสาวะอันอยู่ใต้โคนไม้ใหญ่เท่านั้นเลยโยมพระองค์ทราบ โดยยานวิถีในพระหันรไทยนะว่านี่แหละคือสิ่งนี้พระองค์จะต้องสแสวงหาสิ่งนี้โยมยิ่งหาของภายนอกเท่าไรมันก็วุ่นวายตามมาเท่านั้นโยมสังเกตไหมละ่ะ อยากเท่าไหร่ก็เพิ่มความเหนื่อยไปเท่านั้นพวกเราไม่ได้หาภายในอริยะปัญญาอริยทรัพย์ไม่ได้หาพอเราไม่ได้หาเนี่ยกิเลสก็ชักนำไป ชักนำไปจนลืมว่าชีวิตของเราจริงๆเราก็อยู่แค่ปัจจัยสี่ตามอัตภาพที่จะมีชีวิตบำเพ็ญสร้างบุญบารมีมนุษย์ก็ไปหลงเป็นชื่อเสียงเกียรติวัตถุค่านิยมในสังคมที่เป็นความสะดวกสบายแต่ไม่ใช่เป็นความสุข อย่าเข้าใจนะว่าคนที่เขามีเงินทองและมีความสุขเขามีความสะดวกสบายอยากซื้ออยากใช้อะไรเขาก็ซื้อใช้ได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาได้ชีวิตที่พบความสุขที่เขาพอแล้วอย่างถ้าเรามองเปลือกนอกมนุษย์ เข้าไม่ถึงปัญญาได้แค่สมองใสๆความคิดที่แล่นไปเพื่อผลกำไรแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครเอากำไรไปได้เลยก็ทิ้งเอาไว้ท่นั้นทุกอย่างต้องให้รู้จักกับว่า มัชชิมาปฏิปทาสายที่ต้องเดินปฏิบัติที่พอดีเป็นสายกลางโยมก็ต้องดูว่าอายุของเราใช้มาเท่าไหร่เอาตัวเลขคิดโยมจะตั้งว่าชีวิตมีกี่ปีเอาเอาจ็ดสิบเฉลีย่ยนี่ให้เยอะแล้วนะ บางคนก็สี่ห้าสบก็เลยแค่1ิบยสบปีนี่พูดถึงว่าต้องไม่เจออะไรมาขวางหน้านะโรคก็ไม่เบียดเบียนอุบัติเหตุก็ไม่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเราก็จะไม่ถูกภัยพิบัติทำลายนะแต่ก็เชื่ออะไรไม่ได้สักอย่าง วันดีคืนดีเดินสะดุดเท้าตัวเองกลิ้งลงจากบันไดหัวฟาดนอนหลับนิ่งไปเลยก็มีไม่แน่แตำว่มามากไปนะเอาหกสิบดีกว่าที่จะพอมีประโยชน์จะทำอะไรก็ทำพอเกินจะหกสิบแล้วก็ถ้าเป็นต้นไม้ก็เหมือนกับหมดยางนะโยม เรื่องจริงนะโยมดูม้ากแก่จะไปขี่ก็ไม่ไหวจะไปบรรทุกก็ไม่ไหวกะเลี้ยงไปเอาบุญอย่างนั้นแต่ประโยชน์เนี่ยไม่มีแล้ววัวแก่ลาแก่ให้บรรทุกใส่เกวียนก็ไม่ไหวพอเรากำหนดได้เนี่ยเออ เราเกิดมาใช้กรรมกรรมเก่าของเราที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเรารู้แล้วชีวิตไม่ได้มีความสงบสุขไม่ได้พบคำว่าดับเย็นเลยต่อจากนี้เราต้องแสวงหาเองคำว่าดับเย็นจริงๆ ถ้ายมไม่สแสวงหาความดับเย็นถึงจะมีอะไรก็ดิ้นรนเหมือนเหมือนปลาขาดน้ําชีวิตจิตขาดธรรมะใครว่ามีความสุขไม่มีหรอกโยมเปลือกนอกดูดีแต่ภายในเหมือนปลาขาดน้ําจิตใจขาดธรรมะความสุขจริงๆเนะี่ยไม่มี แล้วก็ไม่มีจริงๆอยู่พอโยมนึกว่าใส่เสื้อผ้า ด, ดีอาหารดีบ้านหลังใหญ่รถคันโตแล้วนั่นคือชีวิตที่สมบูรณ์แบบ น, น่ไม่ใช่หรอกนั่นคือการเป็นอยู่สะดวกสบายแต่การเป็นอยู่ชีวิตที่เราต้องดำเนินจริงๆเนี่ยต้องใช้หัวใจ ใช้ดวงจิตค้นหาความพ้นทุกข์ในที่สุดแห่งสังสารทุกข์ที่เราเวียนเกิดเวียนแก่เวียนเจ็บเวียนตายสุดท้ายถ้ายมมุ่งไปด้านวัตถุโยมก็ได้แต่กิเลสตัณหาราคะสาสวะห้อมล้อมแสงสีเสียง และความจเจริญด้านวัตถุจะปิดหูปิดตาแล้วก็ดวงจิตวิญญาณของโยมก็จะมืดบอดมองไม่เห็นอีกฝ่ายหนึ่งทั้งทั้งที่เรากำลังจะเดินทางไปอาจมาเคยบอกโยมใช่ไหมว่าหลังความตายมีใครได้ยินเสียงเราพูดบ้างมีใครเข้าใจเราบ้าง มีใครคิดถึงเรามีใครพูดถึงเราสักกี่ครั้งกี่คนหลังความตายมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัวนายโยมันอยู่ใกล้ชีวิตของเราทุกคนแล้วพวกเราก็กําลังเดินไปถึงจุดนั้นเกือบทุกคนแล้วนะผู้ภาวนามาที่นี่มีตายทุกปีโยก เจ็บป่วยทุกปีมีทุกปีอยู่เคยไปเยี่ยมบางทีก็ส่งข่าวมาบอกมีทุกคนฉะนั้นในเมื่อเราจะต้องเดินออกจากภพนี้ไม่ใช่เรามาจบอยู่แค่ตรงนี้ยมอยาเข้าใจนะว่าพวกเราเกิดนี่เป็นชาติสุดท้ายอย่าง ราบใดใจของเราเนี่ยยังไม่ดับเย็นคำ่าชาสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยอย่างศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าไม่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ย, ยังไงยังไงก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้เงินทองเข้าของมีมากมายเท่าไหร่ มันก็เหมือนกับบรรทุกอยู่ในลำเรือหนักเท่าไหร่ก็มีแต่ทำให้ล่าช้าแล้วก็จมลงไปในที่สุดเมื่อเจอคลื่นแร ง, แรงๆนะจมฉะนั้นอย่าให้ชีวิตเป็นของหนักเกินไปอย่าไปแบกหามอะไรมากเกินไป อย่าไปติดยึดอะไรที่มันมากเกินไปสุดท้ายก็ต้องมาเจริญวิปัสสนาใช้ปัญญามองชีวิตให้ออกมองจิตให้ได้เมื่อโยมมองชีวิตและก็รู้จิต สุดท้ายจิตจะบอกโยมเองว่าเขาต้องการอะไรไอ้ขนมนมเนยเข้าวปลาอาหารมันของร่างกาย mm hmm. เสียงวอร์รร้องไห้ดีใจเสียําเป็นสภาวะของอารมณ์จิตแต่จริงๆ จ, จิตต้องการอะไร mm hmm. เขาต้องการความเป็นอิสระ ที่ไม่มีทุก์น้อยใหญ่เข้ามาเครือบแฝงอยู่ในหัวใจจนเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์หมดกิเลสสิ้นจากสาสวะน้อยใหญ่ถ้าจิตของใครถึงจุดนี้ไม่มีคำว่าเรียกร้องหรือขออะไรอีกเลยเพราะว่าสมบัติทั้งโลก ก็ไม่เหมือนสิ่งที่บุคคลเหล่านี้ที่เขาปฏิบัติภาวนาได้โยมเคยได้รู้ถึงประวัติของพระเจ้าอาชาต์ของพระเจ้าโศกพระเจ้าโศกนี่ไม่ธรรมดานงโยมเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ ไม่เคยปราชัยกับใครสู้รบเนี่ยเอาว่าชนะแต่ว่าสุดท้ายการเข็นฆ่าชัยชนะได้จากการนองเลือดกันที่สุดก็สะท้อนถึงดวงจิตมองเห็นชีวิตตายเกลื่อนดาดดืนไปหมดทั้งคนรักต้องตาย คนเกลียดคนชังศัตรูแม้แต่มิตรก็ตายเรียงรายล้อมรอบไปหมดรู้สึกอยากจะทิ้งดาบอยากจะล้างเลือดที่อาบอยู่ในตัวของตนเองไม่ว่าเลือดของศัตรูหรือคนที่ตนรักที่ต้องเอามากอดไว้ รู้สึกได้ว่าสงครามควรยุติได้แล้วเราไม่ควรที่จะเข็นฆ่าพอได้แล้วก็เหมือนพระเทลรองคุริมานทิ้งดาบสำนึกบาปเกิดความสังเวช วันหนึ่งได้ทอดพระเนตรมองลงมาในยามเช้าเห็นสมณรูปหนึ่ ง, งเป็นสมณเนรเดินออกโคจรบินทาบาทยามเช้าพราะองค์ได้มองลงมาเนี่ย จิตสัมผัสได้นะว่าเป็นอากับกิริยาอาการที่สงบพระองค์มีแต่ชีวิตที่วุ่นวายจิตใจที่เร่าร้อนคุ้นคิดอะไรก็มีแต่ความร้อนใจไปหมดหุงดหงิดไปหมดภาพที่เห็นต่างกับชีวิตที่ตัวเองเป็นอยู่ก็รู้สึกเกิดความประทับใจ มองเห็นก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นภาพที่งดงามเป็นความสงบที่แท้จริงสุดท้ายก็ได้นิมนต์มาศึกษาธรรมะศึกษาอย่างลึกซึ้งจนออกบวนะพระเจ้าอาโศกอง์นี้บุญก็เยอะบาปก็มหันนะท่านได้สร้างทั้งบุญทั้งบาป ไว้เยอะก็เกือกูลพุทธศาสนาไม่น้อยแต่ก็ทำกรรมไว้ก็ไม่น้อยถึงบอกทั้งบุญทั้งบาปนารกสวรรค์ชดใช้กันนมนานพอสมควรถึงบอกที่สุดก็ต้องหันกลับขึ้นฝักไม่ว่าใคร ที่จะไปลอยอยู่กลางทะเลมหาสมุทรอันไม่มีที่สุดมันไม่ได้สุดท้ายคลื่นก็ซัดขึ้นฝั่งชั้นใดก็ฉัน น, นัชีวิตมนุษย์เวียนเกิดเวียนตายจมผุดจมโผล่อยู่ในทะเลห่วงมหานบแห่งความเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดก็ต้องขึ้นฝักงฉะนั้นผู้ภาวนา ก็เริ่มภาวนากำหนดเริ่มจากเห็นไตรลักษณ์ก่อนเห็นโดยความไม่เที่ยงก่อนพอเห็นโดยความไม่เที่ยงเนี่ยอะไรที่เคยยึดมั่นหมายมากเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเรานี้ยังไม่เข้าใจภพชาติ ยังไม่เข้าใจชะตากรรมยังไม่รู้จักชีวิตเกิดแก่เจ็บตายที่เวียนว่ายอยู่มนุษย์จึงหลงติดอยู่ในภูมิพบชาติบางภูมิบางพบก็มาสู้รบกันผูกใจเจ็บอาฆาตมาร้ายกันชิงชังเครียดแค้นพยาบาทอาฆาตรบราข้าฟันกัน ล้างผลาญกันไม่รู้กี่พบต่อกี่ชาติไม่รู้สิ้นสุดหยุดอยู่ตรงไหนเมื่อใจผูกอยู่ด้วยความโกรธพยามบาทอาฆาตเคียดแค้นและการเข็นฆ่ากันมันไม่จบฉะนันผู้ภาวนาพอกำหนดเห็นไตร ล, ลักษณ์ได้โดยเฉพาะความไม่เที่ยงในอนิจจัง ทุกคนต้องน้อมใจรักเข้ามานั่งดูแม้แต่กายก็เห็นโดยความไม่เที่ยงเสียงได้ยินกำหนดได้โดยความไม่เที่ยงกลิ่นกำหนดได้โดยความไม่เที่ยงตาที่แลมองเห็นอยู่เห็นโดยความไม่เที่ยงทุกอย่างต้องเห็นเป็นอนิจจังก่อนสติจึงจะสมบูรณ โยมต้องเห็นโดยความไม่เที่ยงแม้แต่สุขหรือทุกข์ก็เห็นโดยความไม่เที่ยงแม้สิ่งจับต้องอยู่ก็เห็นโดยความไม่เที่ยงจับต้องโดยความไม่เที่ยงถ้าปัญญาเข้าถึงจิตอย่างนี้จิตรู้แจ้งธรรมเช่นนี้ธรรมาบอกได้เลยว่าบุคคลนี้ใกล้ที่จะพ้นแล้ว ความพยาบาทตความเครียดแค้นความผูกใจความติดอกติดใจทุกสิ่งทุกอย่างกำลังคลี่คลายออกมาพอกำหนดได้โยมเชื่อไม่รู้สึกเหมือนเราเนี่ยเป็นคนโง่มาไม่รู้กี่พบตัวกี่พบจริงๆนะ พยมกำหนดอันนี้จังได้ลึกซึ้งจริงๆนะเราดูเหมือนกับเรานี้เป็นคนโง่ยิ่งกว่าคนโง่บ้ายิ่งกว่าคนบ้าสิหลงยิ่งกว่าคนหลงซะอีกเรื่องจริงนะกำหนดให้ได้จริงๆแต่ต้องเอาหัวใจกำหนดนะไม่ใช่จำมาหรือว่าคิดเอาหรือใช้ความรู้สึกชั่วขณะจิตไม่ใช่ สติปัญญาจิตรู้แจ้งทำปรากฏขึ้นในใจจริงๆอย่างนั้นรู้จริงๆว่าไม่เที่ยงจนไม่มีอะไรเลยที่ว่าใจของผู้กำหนดเห็นอย่างนี้แล้วจะมายึดติดพิไรรำพันติดอยู่กับสิ่งที่ต้องเกิดแก่เจ็บตายที่ต้องพัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่าง พยมเข้าใจนะอะไรที่โยมมั่นหมายตมาบอกได้ว่าที่บอกดวงตาเห็นธรรมนะเริ่มจากเห็นอ น, นิจจังตรงนี้ว่าหนึ่งโยมจะมองเห็นคนที่รักจะต้องตายจากเราแล้วก็เราก็ต้องตายจากทุกๆคนไปนะไม่ไม่อาจจะรู้สึกอาจจะ มีเศร้าๆบ้างหรือว่ามีซึมๆบ้างหรือรู้สึกวิตกวิจาร์บ้างมีทุกคนผ้าดำก่าจะขาวม่นชะซักปุ๊บขาวปับ๊บมันก็ต้องค่อยๆสำรอกสารอกสารอกก่อนเนี่ยที่เรียกว่าเบาบางก่อนปัญญาจะเป็นผู้ชำระจิตจิตก็จะน้อมไปสู่ธรรมธรรมก็จะนำไปสู่ความมิมุต สิ้นสุดแห่งบทกรรมทั้งหมดถ้าเราพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพอยมกำหนดได้เรารู้แล้วใจนี่เบาสบายผอ ง, ง่วงปุ๊บนอนปั๊บก็หลับปุ๊บเลยบางคนที่ยังวางไม่ได้โอ้โหโยม ราตรีที่ยาวนานสำหรับคนที่นอนไม่หลับเกิดจากความสุดและแต่ยมแต่พะคนที่เขามองเห็นความจริงพอใจรู้พอวางได้นะยยมเพราะหลังถึงเสือถึงหมอนั้นนั่นเองเอาให้เก่งสักสิบนาทีอย่างมาก คิดอะไรเล็ก น, น้อยก่อนหลับไปเลยแล้วเวลาหลับเขาหลับสนิทเลยนะไม่ใช่สะดุ้งตื่นมาฝันร้ายตื่นมาเยี้ยไม่ใช่ยังถูกล่าทางจิตวิญญาณอยู่เนะีอย่างไม่ใช่นี่เขาหลับสนิทตื่นขึ้นมาจิตใจก็ไม่เศร้าหมอง พึ่งบอกเออเนี่ยพระคุ้มครองแล้วพระธรรมคุ้มครองจิตไม่เศร้ามองสติรักษาจิตอยู่บอกเออพอรู้เสร็จปฏิบัติได้ต่อไปอะไรอะไรที่เข้ามาในชีวิตเห็นเจอก็เห็นจากเห็นพบก็เห็นการพัดพรากเห็นการได้คือการสูญเสีย ใจจะไม่กล้า ย, ยึดติดกับสิ่งใดเลยในชีวิตในชาติที่กำหนดได้แต่ไม่ใช่เศร้ามองนะคือเห็นเป็นโดยธรรมแล้วจิตก็จะไม่ติดยึดเขาเรียกว่าใช้ชีวิตไปตามเหตุตามปัจจัยตามธรรมแต่ไม่ยึดและก็ไม่หลงติดพอจิตก็เริ่มอย่างนี้ได้อำนาจแห่งโซดาบันเนี่ย ไม่ได้อยู่ไกลเลยเพราะโสดาบันนี้ก็ละสักยทิฐิได้ความยึดมั่นหมายว่าเที่ยงสุขเที่ยงรูปเที่ยงนามเที่ยงพอกำหนดได้ว่าทุกอย่างโดยสภาพแห่งความไม่เที่ยงแล้วเนี่ยเรากำหนดได้โดยความไม่เที่ยงนั่นแหละกระแสโสดาบันก็เห็นอย่างนั้นบวกกับเรารักษาศีลไม่ไป นับถือสิ่งที่ไม่ใช่เขาเรียกมงคลตื่นข่าวไปไหว้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นสาระคือองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่ไม่บูชาสิ่งอื่นอีกเลยเคารพองค์พระพุทธองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์เราเคารพในคุณของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เคารพตัวตนเคารพคุณแห่งพระพุทธเจ้า ผู้มีพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระเมตตาที่คุณเคารพแห่งพระธามคำสอนอันนำจิตของเราเให้พ้นจากความมุมหมองความทุกข์น้อยใหญ่ให้เราได้มีอิสระพ้นจากสังโยชน์เครื่องร้อยรัดมัดสัตว์ให้ติดอยู่ในภพภูมิน้อยใหญ่ แล้วก็นในที่สุดเราก็รู้แล้วหนทางที่เราจะเริญนตามก็คือหนทางของเหล่าพระอริยะหรือพระอานหัรทั้งหลายเดินออกจากความทุกข์น้อยใหญ่ฉะนั้นโยมแม้แต่สุขยังไม่ควรยึดเหตุชนไหนใหญ่ยยต้องยึดคำว่าทุกข์อีก ของหอมยังไม่ควรยึดเหตุใช่นไหนไปยึดของเหม็นอีกคนมีปัญญากำหนดคำนี้ได้เลยแม้สุขพระพุทธองค์ก็ชี้บอกว่าสุขก็ไม่ได้เที่ยงรู้แต่ไม่ยึดใจที่เป็นทุกข์ใหญ่ไม่ปล่อยวางก็เหลือเพียงร่างกายแก่เจ็บตาย มันเป็นของธรรมดามันเป็นสิ่งคู่โลกทุกอย่างเกิดแล้วก็แตกในที่สุดมันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นกับเราคนเดียวอัตมาเคยกำหนดแล้วพอไปโรงพยาบาลโอโหห้องเต็ม หมอเขบอกไม่ว่างคนป่วยก็เยอะอาการดูโคม่า ก, กว่านี้ก็ยังมีพอไปที่วัดโอโหสาลาเต็มอีกยังเอาเข้าไม่ได้อีกศพว่าจะได้ต้องจองหาตั้งหลายวัดพอจะเผาเมนไม่ว่างอีกเมนเต็มอีกต้องรอคิวเผาอีกว่าเออ ถ้าเรากำหนดเป็นธรรมะอย่างปัญญาของอริยผู้ประเสริฐเราก็จะเห็นมีอยู่ทุกวัดเพียงแต่ว่าวันนี้เป็นของใครวันนี้บ้านหลังไหนวันนี้ลูกเมียของใครสามีของใครภรรยาของใครเท่านั้นเอง ไม่ใช่เรื่องใหม่ในโยมเป็นเรื่องเก่าแล้วพวกเราเองก็ไม่ได้เพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายก็เวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ก็ดูพระพุทธ เ, ทเจ้าก็ได้ระลึกชาติแม้พระชาติของพระองค์เองก็เกิดกันไม่รู้เท่าไหร่ตั้งแต่เคยตกอยู่ในในนรก จนขึ้นสวรรค์เกิดมาอยู่ในโลกมนุษย์มีทุกรูปแบบจนมาเป็นผู้บำเพ็ญแล้วมาเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ว่าใครพระโมคคัลลาพระสารีบุตรก็ล้วนแต่เกิดกันมาไม่รู้เท่าไหร่กว่าจะจบสิ้นได้แห่งความเกิด ว่าจะดับทุกข์ได้แห่งสังสารวัฏที่เกิดแก่เจ็บตายเห็นไหมโยงฉะนั้นพวกเราก็ต้องเริ่มแล้วในชาติปัจจุบันว่าเราก็ต้องตั้งเจตนาเริ่มจากรักษาศีลทำสมาธิจิตยกจิตสูงขึ้นไปเจริญ ภาวนาจเจริญภาวนาจนถึงการเข้าถึงไตรลักษณ์ในที่สุดเป็นมิปัสนาถ้าใครที่บอกเจริญวิปัสนาเนี่ยจะต้องทำให้ได้ไตรลักษณ์อย่างน้อยเห็นอนิจจังทุกขงัง อ, อนัตตาแนวทางเนี่ยต้องสว่าง แล้วเราก็จะเดินไปถูกเห็นทางได้แต่ถ้าภาวนาแล้วยังมืดอยู่มันมีแต่คำพูดแต่จิตยังไม่เดินออกไปเลยเนะี่ยก็แสดงว่ายังหมกมุ่นอยู่ในภูมิพบที่ยังมากด้วยสาสวากิเลสพอใครกำหนดไตรลักษณ์ได้ธรรมาบอกได้เลยว่าความโลภทั้งหลายเนี่ยลดหัวลงเลยความยึดติด ทั้งหมดในชีวิตที่เคยมีมารู้สึกว่าเรานี้ทำผิดต่อจิตบิญญาณตัวเองไปสร้างโทษสร้างภัยสร้างทุกข์แทนว่าจะสร้างวิมุตติสุขเรากลับไปสร้างเวรภัยใจก็ไม่ไปไหนก็เลยวนเวียนติดอยู่กับสิ่งที่เรายึดติดยมสังเกตดูอย่างงั้นเราก็ไม่ได้อิ ส, อสระ โยมไม่ได้อิสระแล้วชีวิตจะพ้นทุก์ได้ไหมไม่ได้ไม่ว่ากายหรือใจถ้าไม่ได้อิสระมันมีสภาพที่ต้องทนทุกข์ทั้งนั้นเลยพอเรากำหนดได้รู้เสร็จเราก็จะเห็นทุกขขังตามมาบอกสรรพสิ่งชีวิตมนุษย์สัตว์ล้วนอยู่กัน น่าเวทนาแทนว่าคิดทําลายให้ร้ายกันก็คิดช่วยเหลือแผ่มเมตตากันดีกว่าคนเข้าใจทุกขังจะมีเมตตาสูงคนเข้าใจถึงภูมิปัญนาจะมีจิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นนั่นเขเรียกเป็นภูมิธรรมนะเป็นภูมิธรรมของผู้ภาวนาพอจิตเห็นทุกขังแล้วรู้สึก ไม่อยากซ้ำเติมใครสัตว์โลกน้อยใหญ่ล้วนมีกรรมเก่าเป็นเงาตัวมีสภาพทุกข์ที่บีบคั้นอยู่สุดท้ายก็แก่เจ็บตายเป็นสิ่งบีบคั้นความพัดพรากจากกันก็เป็นสิ่งบีบคั้นการมีชีวิตอยู่ก็ต้องปากกัดตีนถีบต่อสู้ต่อชะตาชีวิตแสนที่จะอยู่ยากลำบาก ถึงบอกพอภาวนาเข้าถึงหลักธรรมแล้วรู้สึกน้ำตามันก็จะไหลตอนแรกๆพอตอนหลังน้ำตาก็ค่อยแห้งไปแห้งไปแห้งไปใจก็เริ่มใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นจิตก็จะเกิดคำว่ารู้ตื่นรู้ตื่นแจ้งเขาเรียกธาตุแห่งพุทธ การภาวนาเนี่ยก็เกิดรู้ตื่นพอที่สุดทุกอย่างก็ว่างเปล่าวอร์ร้องให้กันสุดสุดแล้วสุดท้ายทั้งสองอย่างนี้ก็ว่างเปล่ามันกรุงกินน้ำดูไปดูมาสุดท้ายก็หายไป ไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารได้เลยฉะนั้นชีวิตที่ยมใช้มาทั้งหมดอัตมาก็ไม่เห็นแก่นสารนอกจากยมบอกเออเรามีทายาทเรามีทรัพสมบัติเราไม่กิจการก็เป็นผู้สืบทอดกิจการทรัพสมบัติแต่ยังไม่เห็นสารว่าจิตนี้จะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเปล่า จะมาไปมาแล้วงานศกก็นั่งดูคนมีเงินมีทองคนยากไร้ไปมาหมดแล้ว <c oughs> สุดท้ายก็มันก็คือลงอะจะติดทองจะอยู่ในโกรธจะแบบไหนก็แล้วแต่มันก็คือลงศกเหลือไว้ก็คือคุณความดีและก็บุญกุศล ที่ได้สั่งสมบารมีไว้ส่งผลไปสู่ภายภาคหน้าในภพภูมิใหม่จะสุกติหรือทุกติไม่ใช่เราเป็นคนพูดนะแต่กรรมของเขาจะเป็นผู้บันดาลไปให้เขาบังเกิดในภพภูมิที่เขาได้สร้างบุญกุศลหรือบาปกรรมไว้มนุษย์เวลามีชีวิตอยู่จะโ ก, กหกใครก็ได้ จะพูดเท็จพูดจริงก็ไม่มีใครรู้จะปากแข็งปากอ่อนก็ไม่มีใครรู้เยืนยันขาแข็งมือแข็งแต่กรรมของตัวเองเนะี่ยจิตดวงนี้มันเป็นตัวบันทึกกฎกรรมวิบากบุญกรรมทั้งหลายยิ่งกว่าข้อมูลทั้งหมด ในเครื่องคอมระบอกมี m มมโมรีมีไอตัวเก็บความจำไว้ยมรู้มในชีวิตสัตว์มนุษย์ที่เวียนเกิดเวียนตายจิตดวงนี้มันจะเป็นตัวที่เก็บสะสมทุกอย่างเป็นผลดีผลบวกผลลบ จิตเป็นผู้รู้ทุกอย่างไม่มีคำแก้ตัวผิดถูกดีชั่วสี่คำบาปบุญคุณโทษสี่คำนรกนรกสวรรค์พร ม, มโลกหรือนิพพานไม่มีมานั่งแก้ตัวสร้างหลักฐานอ้างพยานไม่มีและไม่มีที่รับไม่มีที่แจ้งไม่มีที่ลับ กรรมปรากฏชัดอยู่ทุกทุกที่สำหรับจิตของผู้นั้นหลอกใครได้แต่หลอกจิตของผู้ทําไม่ได้ถึงบอกเออโลกใบนนี้ยังคุมเคลืออยู่บ้างผิดเป็นถูกบ้างถูกเป็นผิดบ้างดีเป็นชั่วบ้างชั่วเป็นดี แต่ในดวงวิถีจิตผิดเป็นผิดดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วบุญเป็นบุญบาปเป็นบาปแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นกฎแข่งกรรมที่จิตนั้นได้สั่งสมอบรมมาก็จะเกิดในภูมิภพของจิตดวงนั้นและจิตนี้เองก็จะไปแสวงหาผูของมัน ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากไปแล้วไม่ได้ไปอยากไปจะได้ไปไม่ใช่แม้แต่ผู้ได้เจ้าเองก็ได้ตรัสมันเป็นกรรมของสัตว์ไปขวางก็ไม่ได้แม้จะโปรดสัตว์ตรัสรู้มาจะโปรดให้หมดก็ยังไม่ได้เพราะสัตว์ยังโปรดไม่ได้ก็ยังโปรดไม่ได้ ยังต้องเข้าข่ายพยานแล้วก็จะโปรดใครที่สามารถรับรู้แจ้งได้ก็จึงโปรดฉะนั้นโยมผู้ภาวนาทั้งหมดเวลาของเราใกล้จะหมดโยมเลือกเอาจะไปไหนสวรรค์นรกมนุษย์โลก ลมมาโลกเทวโลกเลือกแต่ทางที่ดีรักษาศีลให้ดีรักษาศีลให้ดีดถ้ามีศีลรักษาดีอย่างน้อยภูมิที่จะเกิดก็ยังมีมนุษย์สมบัติอยู่ตั้งใจรักษาศีลให้ดีเมื่อไหร่อกุศลกรรมมันตามทันนะ ว่าจะได้เจริญกุศลดีไม่ดีไม่รู้อีกกี่ร้อยกี่พันชาตินะจะเดินทางที่ดีใครที่ยังอยู่ดีกินดีพอมีอัตภาพความสุขอยู่ได้รีบสร้างบุญกุศลไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตานั่งภาวนาไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตานั่งภาวนาอุทิศเจ้ากรรมนายเวรบรรพบุรุษอุทิศส่วนบุญกุศลให้ แล้วก็ภาวนาไปอีกไม่นานเราก็จากโลกนี้ไปร่างนี้จะเป็นของเน่าในที่สุดถึงบอกความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวบางคนเนี่ยเขาเห็นภูมิเขาที่จะไปกับดีใจที่ดีกว่าอยู่กับร่างที่กำลังจะเน่าจะเปื่อย แต่ภูมิพบที่จะไปเขามีสุคติดีกว่าที่อยู่ทนอยู่ในสภาพที่ร่างกายไม่ไหวแล้วจึงบอกความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวบางทีเราต้องน้อมเข้ามาด้วยซ้ำไปพิจารณาก็สมควรเวลาขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทิน